เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเทา่าไรแต่รลวระพุทธญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องสมาธิิในช่วงต่อไปคืออย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นความสมบูรณ์ของอริยมรรคอีกเจ็ดข้อด้วยดันั้นเรียกว่ามรรคสามังคีเก อ, อริยมรรคเนี่ยได้รับการประพฤติปฏิบัติเป็นตำแหน่งนเดียวกัน แต่ตั้งฟังได้โปรดสังเกตนะฮะว่าไม่ใช่ว่าไปนับกัน ร, รายละเอียดขนาดนั้นแล้วถึงภาพการเคลื่อนไหวของท่านผู้หนึ่งคือยศกุลบุรยศสะที่บวชต่อจากท่านปัญญวคีเนี่ยภาพชัดคือท่านปัญญวคีท่านเป็นนัก บ, บวชอยู่แล้วหรืออย่างน้อยศีลเนี่ยห้าข้อเนี่ยท่านคงมีแล้วนะ แต่พระยาศาสตร์นี่ไม่ใช่ท่า น, นอยู่ภายในปราสาทปราสาทพร้อมกับสาวสารกำนันไหนทั้งหลายเป็นนั้นมากวันดีคืนดีท่านเกิดเห็นสาวเหล่านั้นเหมือนกระซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าชาเกิดเบื่อหน่ายเกิดระอาเกิดชิงชังเกิดอึดอัดกัดข้องขึ้นคือไม่ต้องการจะอยู่ร่วมกันภายในปราสาทเช่นนั้น ก็เดินบนไปว่าทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้ขัดข้องหนอทีนี้บุ่นวายหนอทีนี้ขัดข้องหนอพระเจ้าเสด็จออกมาต้อนับบนเส้นทางดยสักเดินผ่านไปแล้วรับสั่งวายสักทีนี้ไม่บุ่นวายทีนี้ไม่ขัดข้องมาทีนี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เถอดพระยศาก็เข้าไปด้วยความบางง่าย แล้วเข้าไปถึงก็ถวายบังคมนั่งเรียบร้อยเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนั้นที่ยึงศีลมันเกิดละแล้วยังอื่นก็เกิดตามนะฮะเราจะเห็นว่าอริยมรรคแต่ละข้อเนี่ยมันแสดงอาการคือปัญญาเห็นชอบนี่เกิดขึ้นอย่าน้อยก็เห็นชอบว่าพระพุทธเจ้ารับประกันว่ า, วาตรงนั้นไม่บุนวายตรงนั้นไม่ขัดข้อท่านก็คิดชอบ ทีนี้วาจาเนี่ยถ้าไม่ได้เปล่งอะไรก็สํารวมระวังทางกายทางวาจาข่าไเปฝาพระพุทธเจ้าแล้วความเพียรสติสมาธิมันก็เกิดตามขึ้นมาระดับนึงในขณะที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะเรานี้อริมักก็เพิม่มความเข้มข้นขึ้นแต่ละข้อประจบประธรรมเทศนาท่านบรรลุมรผลเป็นประโสาบันครั้งแรกเนะย ก็ แ, แสดงว่าอารีมัตรระดับของสมาวาจาสมากัมันต์สมาชีวะสามข้อเนี่ยก็เกิดสมบูรณ์นอกนั้นก็พอประมาณท่านใชายก็พอประมาณประมาณขนาดไหนท่านก็ไม่บอกไว้อนะฮะแล้วก็ปัญญาเองก็พอประมาณก็ อ, อยาจะให้มองตรงนี้ถือว่าปัญกลาชิดนะฮะใกลชิดกับชีวิตของเราหรือไม่ไกลเท่าไหร่ กา่ทำยังไงว่าอย่างน้อยที่สุดเียให้มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่สักระดับหนึ่งที่พอเป็นเรือนใจเป็นหลักใจคุ้มครองใจตัวเองไม่ให้แกวง้งไม่ให้สับสนเพราะว่าอลรมากที่เกิดขึ้นไปในใจของพระยาบุคคลระดับโซดาบันเนี่ยคือถ้าเรามองสายของใจสิกา ศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยศีลของท่านสมบูรณ์สมาธิพอ ป, ประมาณปัญญาพอประมาณยังมองถึงเรื่องศีลคือศีลเนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาเนี่ยคือปัญหาในภาคการปฏิบัติไปงานศพแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดคือหนังสือที่ทําไว้เนะฮะถ้าหากว่าคนที่มาในงานมีน้ําใจ แล้วก็อยู่ในศีลพอสมควรเนี่ยนะนั่นพอเลยเพราะว่ามันกระจายออกไปเยอะนะหนังสือหลายเล่มแล้วกระจายออกไปตามเหมาะตามควรแก่พื้นฐานเพราะเรื่องบางเรื่องมันยากเกินไปอ่นะฮะแจกแก่ชาวบ้านก็อย่างนั้นเนะี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ว่าแต่ละท่านนั้นคือเราบอกว่าแจกหนังสือคนละชุดก็คือคนละชุดนะเอาเกินสองเอาเกินหนึ่งชุดไม่ได้อะ่ะฮะ มันเป็นเรื่องสัจจะที่มนุษย์ต้องมีแล้วก็มีความเป็นอธินาทานด้วยตรง น, นั้นนะแต่เราก็ยื้อแย่งเอากันไปเป็นหอบๆเลยนะฮะบางคนเนี่ยเอาไปตั้งเก้าชุดสิบชุดก็มีเลยก็นั่งโดยเอ๊ะทำไงล่ะคนนะ่ะทำไมเอาคิดอย่างนั้นล่ะว่าเรื่องมันไม่น่าจะไปทำอย่างนั้นนะ่ะ คือหนังสือก็มาแจกคนพยายามย้ายทั่วถึงบทตลับกับตอนนอนลงทุนก็เป็นสแสนๆนะฮะก็เรียกว่าหลายแสนแต่พจนสุดท้ายมันเป็นกระจุกแทนที่จะกระจายก็ต้องการให้กระจายมันกลายเป็นกระจุกเหตแผลตัวเนี้ยมันขาดในเรื่องสีนโดยเฉพาะสีลงข้ออธินาทานเนี่ยมันขาดแล้วความโลภเนี่ยเกินเกินสถานะ ที่เราจะได้รับคือสิทธิผลประโยชน์ของเรานี่แน่นอนคือหนึ่งชุดหนึ่งคนก็คือหนึ่งชุดแต่เราหอบกันไปแล้วรู้สึกโก้มากที่ได้หนังสือมากกว่าคนอื่นได้ของแจกมากกวคนอื่นนี่คือปัญหาเรื่องของแจกคือแสดงมาสํานึกในเรื่องสีเนี่ยเราเนี่ยค่อยเข้มแข็งพอเกิดความโลภขึ้นมาครอบงาแล้วเราก็แกล้งแล้วมันเป็นไปนหมดอย่างในสมัยที่ เขาขายหนังสือที่ท้องสนามหลวงไปบางคาเราก็รู้ว่าในงานนั้นอ่ะเขามีหนังสือธรรมะดีๆแจกแต่เราไม่ได้ไปหรือไปแล้วไม่ได้นะก็ไม่เดือดร้อนนะฮะลุงเมชาไ้เด็กไปหาที่ท้องสนามหลวงก็มีวางขายเกือนราคาถูกด้วยราคาที่ต่ํากว่าราคาราคานี้เขาจ้างพิมพ์นะะต่ํ า, า, า, า ก, วกว่าหลายเท่าด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายว่า แสนที่ศีลจะเป็นวิถีชีวิตของบุคคลของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันอย่างผู้มีศีลเป็นปกติกายปกติวาจานะคือการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ถึงกับประทุษร้ายคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นเนี่ยือไม่ต้องพูดไกลนะเพราะว่าศีลที่มาด้วยมรรคจริงๆสมบปรษุสบาบั น, นี่ยคือศีลห้าไม่ใช่ศีลแปดหรอกศีลห้าแต่นั้นเอง มาพร้อมกับมัจหมายความว่าเมื่อเกิดมัจปั๊บเนี่ยมันจะทำลายกิเลสหยาบระดับหยาบที่เป็นเหตุให้ละเมิดศีล น, นี่ออกไปจากใจทันทีได้แล้วก็เป็นการหลุดพ้นที่เรียกว่าไม่กำเริบคือหมายความว่าท่านอาจจะละเมิดศีลบ้างไะนะศีลศีล น, นี่ ม, นมันมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งก็เรียกว่าเป็นโลกวัชชะคือมีความผิดสากลหมายความใครทำก็ตามก็เป็นความผิดนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะฮะก็เป็นความผิด เกการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษาาร้ษ า, ายในทางเพศโกหกห ล, กลอกลวงร่ำรวยใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาด่าว่าอะไรแต่ไร น, นี่ฮะเพอร์เจอร์เรืร่อยๆต่างๆอันนี้มันเป็นความผิดสาคุณแต่ว่าการที่ไม่กินเข้าเย็นอย่างเงี้ยการไม่ดูโฆษณนํากับรอมาโคบุรีดีสีดีปอ่อต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่ปอปัญติวัชชะมันเป็นศีลเฉพาะกลุ่มคนนั่นนั่นเอง ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะต้องไปรักษาศีลเหล่านั้นแล้วก็ผิดก็จะผิดเฉพาะกลุ่มคนเหล่านั้นเพราะว่าเขาไปดำรงสถานะตรงนั้นหมายความคุณเป็นอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้ถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณเป็นอย่างนี้ไม่ได้คือมีปัญหาก็พยายามทำให้ได้แต่นั้นเองทีงนี้ทำยังไงว่าพยายามที่จะปรับตัวเองให้เข้าใกล้จิตพระ อริยบุคคลดับโสดาบันโดยการพยายามรักษาศีลพระยาศัสดิ์พอท่านนั่งปั๊บเนี่ยท่านก็เป็นศีลอ่ะพอฟังไปก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดเพิ่มขึ้นอ่ะศีลเองก็สงบมากยิ่งขึ้นพอถึงจุดหนึ่งศีลสมูลปัญสมาสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณพอมาพระเจ้าแสดงอีกรอบหนึ่ง แสดงแก่บิดาของท่านบิดาของท่านก็มีลักษณะอย่างเดียวกันนะคือพอนั่งปั๊บเข้ามาเนี่ยด้วยความเชื่อมั่นเนี่ยมันทําให้ใจสงบกายสงบปราชาสงบใจก็สงบก็กลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วพอพะพุทธจ้แสดงศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้เขาก็หยับประนีตขึ้นประนิตขึ้นบรนีตขึ้นบระนีตขึ้ น, น, นถึงจุดหนึ่งพระสัตรนั้นทําลายกิเลสได้หมดเลย คือมาความศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วก็สัมมาทิชฐิเนี่ยอริยมรรคเนี่ยมันเป็นสมายานคืออริยมรรคนี่ยเขาเรียกว่าอริยมรรคเปองค์แปดประการคือไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นตัวมรรคนะฮะเขาเป็นองค์ประกอบของมรรคคล้ายคลกระยาเม็ดหนึ่งแล้วมีเครื่องปรุงหลายๆเม็ดหลายๆอย่างแต่มารวมกันอยู่ในเม็ดยาเม็ดเดียวกันในขณะเดียวกันในตัวยาเหล่านั้นเนี่ย ถ้าที่จริงไปแยกย่อยออกไปมันก็มคีคุณค่าทางทางยาอยู่เพียงแต่ว่าไม่สามารถจะรักษาโรคให้เป็นเศ็ษฐกิจไปได้ทักนั้นหนึ่งอันนี้ก็คือด้านหนึ่งคือทํำยังไงว่าล็อกเละในเรื่องศีลอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของปัญญาที่สมบูรณ์ซึ่งเคยพูดเรื่องทิฏฐิสัมปันนะแปลว่ามีทิฏฐิที่สมบูรณ์ แต่ธรรมทิฏฐิที่สมบูรณ์เนี่ยระดับปสุดะบันเนี่ยคือปัญญาท่านเห็นชอบตามความเป็นจริงก็คือเห็นชอบในอริยสัจสี่แต่ว่าที่เกี่ยวเนื่องกับพระญาณทั้งสามของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีปัญญ า, าเห็นชอบตามความจริงนะเห็นเรื่องสังสารวัฏเห็นเรื่องกฎของกรรมเห็นเรื่อง การลดจางคลายของกิเลสภายในใจของท่านแล้วก็มองธรรมะเป็นรูปของกระบวนการที่เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นถ้าเราพัฒนาตัวทิทธิคือความเห็นขึ้นไปเนี่ยให้อยู่ในความเห็นที่ชอบตามทํานองครองคำ บางเรื่องเนี่ยเราเราไม่สามารถจะจับได้นะครเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเกินไปเราก็อาจจะใช้หลักการที่เอา ท, าทรงเนี้ยดูที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างไงล่ะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นก็พยายามยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นแากว่าทําทําได้อย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นบัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริงระดับหนึ่งซึ่งก็ แน่นอนแหละเราก็ต้องมีความเห็นชอบเพิ่มขึ้นเพิ่มคูลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่ามีความเห็นที่สมบูรณ์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยระดับในระดับปะโสุบันเนี่ยคือสามัญชนเราเนี่ยที่จริงความเห็นไม่สมบูรณ์หรอกเพียงแต่ว่าเราไปเจอแรงกระแทกแรงๆ แ, แ, แต่นั้นเองพิจ า, ารสาสเกต็ตอย่างคราวๆที่ท่านผู้ฟังคงจะ ได้ยินข่าวที่เขาปรารบพิษุณีนะฮะแปลกนะฮะแปลกว่าข่าวพิษุณีมาเล่นกันได้นะฮะข่าวไปรูปการศึกษาซึ่งกระทบต่อศาสนานี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องภูเขาเลยนะฮะนึงที่พี่ไม่เล่นนะแปลกแล้วก็ไม่เคยสอบถามคนที่โต้แย้งแล้วพวกสอประศอพวกดกรรุ่งอะไรแต่พูด ก, กันมันเลยคนอื่นโง่หมดในโลกเนี้มีฉลาดอยู่ดรรุ่งคนเดียวแตนเด็ก คือไม่ใช่ชาวบ้านมาปลูกพระหรอกพระเนี่ยปลูกกันเองเคยรู้ไาอ่านหนังสือออกนะอาน่านสือออกแล้วก็รู้กฎหมายก็เรียนมานะแล้วก็มีนักกฎหมายที่เขาจบเนจบนิติอยู่ด้วยนะะมันไม่ใช่นึกๆยวพูดอะไรก็พูดหรอกแต่นั้นเป็นเป็นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไปคิดว่าอตัวเองนะสามารถรู้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเองอคนอื่นจะเข้าใจผิดหมด แต่แล้วก็ตัวเองก็เข้าใจถูกอยู่คนเดียววันก่อนก็ออกรายการแก่นธรรมในคืนวันที่เทรายวันที่สิ บ, ส, บสามนะฮะคืนวันที่สิบสามพฤษภาคมในออกรายการแก่นธรรมฟังแล้วก็สลบใจนะฮะคือแก้งจับประเด็นไม่ได้เลยยังจะประเด็นไม่ได้แล้วพอมาถึงก็อ่านข่าวเรื่องพิกษุณีซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์วันที่สิบสี่พฤษภาคม ก็ดูความเห็นของคนสองสามสี่คนก็อ่านสองฉบับก็ยังนึกว่าเออคนเนี่ยไม่พยายามทำความเข้าใจแล้วในขณะที่กำลังอ่านยังอ่านไม่จบเนี่ยมีโยมคนหนึ่งก็โทรมาโยมก็ตั้งประเด็นถามตรงนี้บอกว่าการบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยมันบวชดยอุปตสงคือสงสองฝ่ายแล้วอุปมาให้แกฟังว่าเหมือนกับไข่เป็ดเนี่ยเป็ดเนี่ยมันฟักไข่ไม่เป็น นะแล้วจะไก่เนี่ยจะฟักไห่วันถ้าถ้าเทียดเนี่ยหมายความว่าภิกษุณีสงฆ์เนี่ยเหมือนกระเป็ดคือต้องไขออกมาก่อนต้องไขออกมาให้ก่อนแล้วพระสงฆ์จะประกาศรับรองให้ซึ่งเหมือนกระไก่นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยฟักได้หรือไม่ได้ไม่รู้ว่าเท่าเท่าที่รู้มาเนี่ยว่าเป็ดเนี่ยมันฟักไขไม่ได้อุปมาฝั่ง ว่าอย่างเนี้ยมันมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะไม่มีขั้นตอนให้ทำแต่ว่าก็มีคนเดียพยายามเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันนะเป็นเพื่อนเป็นฝูงรู้จักสนิทสนองคุ้นเคยกันกับต้นเหตุเนี่ยแล้วก็ผูจ้จ่าสนับสนุน ท, ท, ทั้งๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ถือเรื่องนิกายอยู่มากตลอดเวลาเนี่ยไปการไปเสียษนิกาย แล้วก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยได้สอบถามไปต่างพระที่ก็อยู่ที่ลังกาบอกว่าที่บวชอยู่ที่ลังกาเนี่ยมาบวชอยู่ที่ไต้หวันไต้หวันก็เป็นพุทธิณีม า, ายานม า, ายานเขาไม่ไหวอะไรนี่อย่างนั้นคุณเวลาพรที่สื่อไถยก็ได้สื่อไถยที่โชกชัยศีเน่ะก็บวชมาจากไต้หวันบวชมาตั้งสิบกว่าปีแล้วมั้ง ตังแต่โนั้นนะตั้งแต่ก่อนรัฐบาลบัญหารนะฮนะก็บวชมาแล้วก็อยู่เงียบๆอะ่ะมีหลายคนนะบวชมาอยู่เงียบๆเนี่ยก็ไม่ได้ทาข่าวเลย ต, ตั้งตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปก็ปฏิบัติไปแต่อันี้คนนี้ออกมาถึงทขาข่าวด้วยเลยเลยแล้วก็แปล ก, กับมีแนวร่วมเยอะมันก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยละเลยหลักการที่ถูกต้องประเด็นตัวนี้ไม่ใช่อยู่ที่ พวกใครหรือว่าเป็นใครแต่ว่ามันอยู่ที่เงื่อนไขของพระวินยัยแล้วก็มีการพูดเต็มถึงให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยพอถอนได้มันก็ถอนกันเละหมดไเลยอย่าลืมมาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะฮะต้องประชุมส่งตั้งสิบรูปขึ้นไปเป็นสังคกรรมนะฮะประกาศโดยยัติยตุตกรรมว่า จ, จะต้องประกาศย้ำในที่ประชุมถึงสี่ครั้งเป็นสังคกรรม ใช้คณะคนทำงานเนี่ยตั้งก็เรียกว่าสิบคนแหละสิบองค์เนะ่ะแน่นอนเราเป็นปัจจานาชนบทเนี่ยคืออาจจะห้า ก, ก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาไม่เสี่ยงบวชห้าหรอกทุกวันเนี่ยก็จะบวชแต่สิบขึ้นเนี่ยปัญห า, าเอาพิสุนีมาจากไหนทีนี้เมื่อออกมาจากหม้ า, า, า, ายานก็ไปหม้ า, ายานที่ทำไมมาด่าพระเทรว า, าทให้ไปบวชให้ เพราะว่าเทระว่าในเชื่อว่าจีนเองก็ไม่มีอฮะพิษุณีนี่แต่เขาทากันได้นะจีนอย่าลืมมาเป็นคอมนิ์อยู่กี่ปีไต้หวันเอาพิษุณีมาจากไหนแล้วพิษุณีเรื่องนี้ยนในจีนมีจริงหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าก็บวชมาเนี่ยไม่ไม่ถึงสิบปีแล้วมั้งในบวชกันมาเนี่ยไปบวชมาจากไต้หวันแล้วโทรศัพท์ไปถามเขาพราะก็อยู่ที่ลังกา แล้วก็ปรากฏว่าเวลานี้ยมันก็เกิดเกิดขัดแย้งที่ลังกาคือพระลังกาท่านไม่รับผิดชอบเวทมนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านเป็นพุทธบริษัทโดยกันจริงแต่ว่าโดยเงื่อนไขของพระวินัยและวไม่จะเป็นได้ง่ายหรอกพิษุนียมันเงื่อนไขวินัยมันเยอะที่สําคัญลําดับขั้นตอนข้อการเป็นเนี่ยคืออย่าลืมมาบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ต้องตรงตามกฎหมายทุกตัวอักษรนะฮะ ถ้าผิดบทบรรญกาจของกฎหมายก็คือผิดอ่ะทีนี้กฎหมายข้างนอกเนี่ยกฎหมายอื่นกฎหมายในทางโลกเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเ็ายกเลิกได้ก็แก้ไขได้นะฮะแต่ว่าพระธรรมวินัย น, นี่ทำไงจะยกเลิกหรือจะแก้ไขนั่นคือการทำลายศาสนานะพระวินัย น, นั้นแน่นอนว่าบางข้อเนี่ยมันหายไปโดยธรรมชาติก็มัน เช่นวาเกี่ยวกับภิกษุณีแบบเนี้ยพระไม่ต้องมาแต่ปฏิบัติแล้วเพราะไม่มีภิกษุณีให้ปฏิบัติงั้นจะหมดไปโดยสภาพอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเราไปยกเลิกไม่ได้นะเพราะถ้างอ้างสิครับบทเล็กน้อยแล้วเขาก็ใช้ากันนานแล้วเพราะมันใช้ไม่ได้คุณเทียบกับอะไรล่ะสิครับบทเล็กน้อยอะ่ะมันสูงกับต่ําเนี่ยคุณเอาอะไรไปเทียบกับอะไรอ่ะ เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่ต่ำในที่หนึ่งเมื่อเทียบอย่างหนึ่งมันสูงอีกที่หนึ่งอะ่ะจะว่าอย่างไงภันสขกาวบดเล็กน้อยเนี่ยเมื่อเทียบภาษีข้าบดใหญ่แกก็เล็กน้อยตลอดแหละจนถึงประราชิกก็เหลือเหลือสีกับบทข้าวบด่านเองภาษีข้าบทใหญ่ยยจริงจะเพราะว่าสังขาริเศตมันเล็กน้อยกว่าประราชิกเนี่ยทำไงตัวนาใจก็เล็กน้อยกับสังขาธิเศตอะ่ะมันก็ถอนกันเล่มหมดเลยาศาสนาก็จวนปี้หมดเลยคืออย่าไปใช้อารมนะฮะ แล้วก็ห้ามอ้างวินัยด้วยไม่อ้างวินัยระยงอะไรศาสนานี้มีพระธรรมวินัยเป็นศาสดานะศาสนานี้มีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาเราไม่อ้างพระธรรมวินัยจะอ้างใครไม่ยึดมั่นในธรรมวินัยจะให้เอายังไงนั่นคือความเห็นชอบก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปันนาเนี่ยความเห็นชอบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ดื้อด้านไม่ใช่ดื้อดันอะไรเลยนะหลักการมันเป็นอย่างเงี้ย แล้วในแง่ของความเป็นพรหมจรรย์นเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครพุทธบริษัทเนี่ยเขาอยู่กันมาได้แล้วอุบาสกบาสิกาเนี่ยก็สามารถบรรลุมรรคผลได้สมัยพุทธกาลก็บรรุุมรรคผลกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คืออย่าไปหลงประเด็นยึดศัพสนประเด็นคือพยายามสับท์สนประเด็นนะฮะคือประเด็นที่เป็นตัวหลักเนี่ยไม่ออกมาพูดแล้วก็พูดประเด็นปีกย่อยสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยวอะไรกับสิทธิมนุษยชน เมื่อกี้อะไรกฎบัตรสากลชาติล่ะแล้วละจะให้สมประกาศให้ออกกฎหมายพิกษุณีไม่ได้เป็นด้วยกฎหมายนะเป็นด้วยวินัยนะฮะในเงื่อนไขาการเป็นเนี่ยมันปัญหาว่าตรงนี้จะเป็นด้วยอะไรนะเช่นสมมติว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาตั้งกฎเอ็นหนึ่งสองสมี่ห้าไปคนจะเป็นพนักงานบริษัทนั้นเนี่ยต้องอยู่ในประเด็นของข้อกําหนดของเขาอะข้อกำหนดคนอื่นไม่ได้ อ้างสทธิบัตชนไม่ได้อ้างกฎบัตรสมปชชาชาติไม่ได้อ้างความเสมืมอภาคนั้นเราตำหนูุไม่ได้มไม่เกี่ยวกันนะอ้างก็อ้างไปแต่เขาไม่รับอะแต่เขาตั้งกดอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่เขาบอกอย่างเงี้ยอนั้นดกดก็ยังเปลี่ยนได้ถ้าทาไปแต่ว่าธรร ม, มะเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้จะต้องพยายามทําความกระจายย้ายเกิดความสับสนในเรื่องเหล่านี้คือไม่งั้นแล้วชาวพุทธเนี่ยมันจะเกิดแตกแยกกันเองโดยคนเป็นคนเดียวนะฮะ เราอย่าลืมว่าถ้าคนรู้จักแม่ของคนคนนี้ก็สร้างปัญหาไม่ใช่เบางกันนะสมัยออามาบวชเป็นเด็กเป็นเลนเนเป็นพระเนนเนี่ยเป็นพระใหม่ๆนะตอนนั้นนะก็เถือนคณะสงฆ์ก็เถือนมากเลแล้วก็มาเกิดเรื่องกันอีต้องเห็นแก่ศาสนาอย่าเห็นแก่ปัจเจ ก, กชนคือคนเราถ้าสมัครใจจะทำความดีไม่มีรูปแบบการทำความดีไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ รู้เจ้าก็ทรงแสดงการบวชเอาไว้ทั้งสี่ประเภทนะฮะคือหนึ่งไม่บวชทางกายทงางใจพูดแปลงไทยง่ายๆนะฮะสองนี่บวชกายแต่ไม่บวชใจคล้ายๆกับพระเราเนี่ยบวชแล้วบางทีจิตใจก็ไม่สงบบวชกายแต่ใจไม่ได้ไม่ใช่บวชใจแต่กายไม่ได้บวชหมายความใจสงบเวนสงบพลอยสงบอันตรายได้โดยร่างกายก็เป็นแต่งชุดอะไรก็ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะ มีข้อแม้ก็มีข้อแม้อยู่ประเด็นเดียวว่าพระคารวะที่บรรลุมรรคผลเป็นประหันเนี่ยต้องบวชในวันนั้นนิพพานในวันนั้นอนั่นมเป็นเรื่องพิเศษให้บรรลุมรรคผลไปก่อนเจอมันมีทางออกเองนะคนระดับพระอาดาหันเนี่ยเขารู้เองเรควรจะทํำยังไงอีกอย่างหนึ่งก็คือบวชทั้งกายทาายั้งใจอันนี้คือเนื้อหาใช่ไหมเน้อเนื้อหาก็อยู่ตรงเนี้ แต่อย่าลืมนะฮะเราสามารถจะส่งเพศระดับหนึ่งได้เป็นนักบวชระดับหนึ่งได้จะพูดล้ำปามาถึงแม่ชีอย่าลืมว่าแม่ชีนั้นค้าก็ยอมรับสถานะแต่ว่าเขาเป็นอุบาสิกานะฮะเขาเป็นอุบาสิกาบริษัทอยู่แล้วก็ยอมรับสถานะแต่การที่พระไปใช้ให้แม่ชีหุงหาอาหารอะไรแต่อะไรไจริงมาไม่เห็นด้วยนะก่อนข้าต่อต้านมานานน่ะ แต่ว่าท่านก็สมัคใ จ, จะช่วยอ่ะจะไ่า้ไงกับท่านนะแล้วท่านก็ทําได้ด้วยนะนเดนก็ทําได้พวกเราเนี้ยเดนก็ทําได้พระนะพระทําไม่ไดแ้แม่ชีก็ทําได้แม่ชีนิสิตน้อยกว่าพระมันเป็นเรื่องของสังคมะนะเนาะอย่าทาให้เกิดสับสนวุ่นวายปัญหาความเห็นชอบเนี่ยจะต้องมีเหตุมีผลในตัวของมันเองแล้วก็มีที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นเห็นชอบตามทํานองครองธรรมไม่ได้อ่ะ ว่าตรงนี้บิดในว่ายังไรธรรมะว่าอย่างไงพระอาหารหันต์ปฏิบัติอย่างไงพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าอย่างไงเราก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยว่าตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ท้องฟังทั้งหลายแต่หลงพ่อพุธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี